ไปดูศาลาข้างนอกรู้สึกว่าถ้าเราไม่ไปฉันข้างนอกเนี่ยดูดูแล้วมันจะเศร้ามองเวยหลวงพ่อว่าน่าจะไปทุกวันพระสิบห้าคำ่ำเราควรจะไปจัดไปฉันที่ข้างนอกให้ได้ใช้ข้า ง, างนอกบ้างอย่างน้อยก็อาทิตย์หนึ่งไอ้สองอาทิตย์เราไปจัด ทำความสะอาดก็ยังดีเมื่อวานในหลวงพ่อไปเห็นสลาค้างนอกแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับขาดชีวิตชีวาลักษณะอย่างนั้นแหละเราสร้างมาทํามาอย่างดีแล้วดูดูแล้วไม่มีคนไม่ไปใช้มันรู้สึกว่ามันเศร้ามองฮะแล้วก็กูบา ท, ทั้งหลายก็ช่วยๆกันไปดูมันมีมดแดงนะมดแดงไฟ มันขึ้นมาที่ศาลาเราควรจะเอายาอะไรใช้ชอ็อกหรืออะไรก็ได้ผสมแบบเบาๆบางๆนะเพื่อให้มันไล่มันหนอออกอันนี้ไม่ใช่สาลาหมดไม่ซาลาคนซาลาพระเราจะไปใช้ให้มันแก่เกินไปนะเดี๋ยวมันตายเราใช้แบ บ, บอ่อนๆผสมน้ํามันเครื่องก็เดีค่อ ย, อยๆไล่มันให้มันขนเล็ย้ายหลังมันหนี วิธีการไล่มด้านไล่ธรรมดามันก็ไม่ออกว่าพกช็อกผสมผสมกับน้ำมันเครื่องอะไรค่อยๆทากันค่อยไล่ๆมันออกถ้าเราไปทำให้มันตายมันก็ตายได้มันก็นาฆ่ามันไม่ได้นะเป็นบาปเป็นกรรมเออวันนี้เป็นวันที่สามสิบ ตุลาคมพุทธศักราช2557เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน12เอกวันพระหน้าก็เป็นหมดหมดเขตกระถินเดือน12เพนช่วงนี้เป็นช่วงที่กระถินรู้สึกว่าวัดต่งตางๆ ในอีสานของเราเนี่ยก็แต่ละวัดบางทีก็วัดสุดท้ายอาทิตย์สุดท้ายของวันออกพรรษาแล้วก็ทอดกระถินพราฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงกระถินการแต่ของเราก็ผ่านไปแล้วละ่ะหายห่วงไปแล้วจบไปแล้วแต่ถึงยังไงพวกเราทุกๆท่าน วันนี้ก็มีการเป็นมีการเทถนนแต่ตึงยังไงผู้ที่เกี่ยวข้องก็มาดูดูเท่านั้นแหละผู้ได้ไ่เกี่ยวข้องก็พากภาพพวนาแต่งานนี้ก็ได้ปรึกษากับคณะผู้ทำงานคณะในช่างว่าจะเอาช่างเข้ามาทำจะให้รบกวนพระของเราน้อยที่สุด พระองเราก็คล้ายๆว่าให้เป็นช่างเป็นผู้ดูแลขาดเหลือขาดตกอะไรก็ควรจะรับรู้รับทราบแบ่งกันดูแต่ไม่ให้หนักอกหนักใจพะเราไม่ได้เน้นหนักเรื่องการก่อสร้างเราเน้นหนักเรื่องจิตภาวนาพอศาลาหลังใหญ่ที่เราทาไปแล้วนั่นก็นจบไปแล้วแต่ข้างในนี่ก็เพียงแต่ช่วยๆกันดู ผัดเปลี่ยนเวียนกันดูตั้งเวนกัดมาดูก็ได้แต่ช่างที่จะให้ทำนั่นก็คือเป็นขราวาสญาติโยมผมเองหลวงพ่อเองก็อยากจะให้พระของเราเนี่ยตั้งอกตั้งใจเน้นเรืเ่องจิตภาวนาเพราะเรื่องภาวนาเนี่ยเป็นหัวใจของพระกรรมฐานพระทุโธกรรมฐานอย่างพวกเราเนี่ย ไม่มีธุระภาระอะไรมีแต่จะให้ภาวนาเท่านั้นแหะเป็นหลักใจทั้งยืนทั้งเดินทั้งนัง่งทั้งนอนควรจะหาเวลาหาช่วงว่างหรือทำให้ว่างแต่ทำไม่ให้ว่างมันก็ไม่ว่างนะทำพยายามทำให้ว่างพยายามช่วงไหน ที่จะทำให้ว่างเอาตรงนั้นพยายามเดินยังกลมบังหนังสมาธิบางเอาอย่างเต็มที่คำว่าเต็มที่คำนี้นคืออะไรนะทดลองดูมิให้มีหนักให้มีหนักให้มีเบาเบาเลื่อยก็ไม่ดีหนักไปตลอดก็ดีแต่ว่ามันจะทนไม่ไหวคล้ายๆคำว่าถอยทับ มาตรวจตราแล้วก็บุกบุกเสร็จแล้วก็ถอยถอยก็มาตรวจตราเตรียมพร้อมเตรียมทับบุกอกีกบุกแล้วก็กลับออกมาเตรียมพร้อมถอยออกมาแล้วเตรียมพร้อมแล้วบุกอกีกเนี่ยอันนี้ก็คือให้มีหนักให้มีเบาถอยนี่ก็คืออะไรถอยกลับมาเรามาเตรียมพร้อม ว่าที่เราภาวนาไปเมื่อคาวที่แล้วเนะ่มันมีอะไรบ้างที่ขาดเหลือขาดตกบกพร่องเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงแต่เข้าไปเขาเนีก็พยายามดูด้วยการสังเกตสรุปแล้วก็คือให้มีสมาธิแล้วก็ปัญญาสมาัตและวิปัสสนาสมัะคือทาจิตใจให้สงบ การทำจิตใจให้สงบมีมากหลากหลายแนวทางาจะทายังไงจะยึดจิตใจให้เป็นหนึ่งให้สงบเป็นหนึ่งให้แน่วแน่ไม่ให้มันหวันไว้ไกวแกงไม่ให้คิดถึงอดีตอนาคตให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้อันนี้ประวัติจิตที่เป็นสมาธิในเมื่อเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีตอนตั้งใจอยู่ไม่เหลือวิสัย คือสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วจากนั้นก็เราเดินทางวิปัสสนาแต่บางขั้นท่านบางคนก็ถามว่าจะถึงจะขั้นไหนที่จะเดินวิปัสสนาได้ท่านก็ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เพียงแต่ว่าบางทีจิตไม่สงบเราก็จะเดินวิปัสสนาวิปัสสนกเปรียบเทียบการเป็นอยู่เปรียบเทียบ คืนคนอื่นเขาเปรียบเทียบคนที่ตายไปเปรียบเทียบสัตว์ระสัตทางหลายเราก็ไม่แพ้กันกับสัตว์ระสัตที่ล่วงลับดับขันไปปู่ย่าตายายที่ลมหายตายจากไปอันนี้ก็เปรียบเทียบให้นึกคิดเปรียบเทียบทางการเป็นอยู่เปเทียบเปรียบเทียบร่างกาย อย่างนั้นก็เปรียบเทียบทางด้านจิตใจในเมื่อเรามีสติอยู่กับตนเองมีสมาธิดีแล้วการคิดก็อยู่ในกรอบกรอบของวิปัสสนาในเมื่อเห็นเดินวิปัสสนาเห็นตามความเป็นจริงทุกระดับจนกระทั่งเห็นใจของตัวเองใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรมันเป็นยังไงใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ เห็นใจตัวเองจากนั้นก็พอเห็นใจตัวเองดูกายดูกายเสร็จแล้วก็ดูใจพอดูใจเสร็จแล้วก็เอาใจนะดูกายอีกเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบนเปรียบเทียบเขาเราในโลกจากนั้นก็ย้อนเข้ามาหาใจอีกใจของเราลุ่มหลงอะไรเนี่ยนะพิจารณาหลายครั้งต่อหลายหลนผลที่สุดก็ใจของเราก็รู้ตามความเป็นจริง เมื่อดูตามความเป็นจริงใจของเราก็จะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็ น, นตามความเป็นจริงนะจะเกิดความเบื่อหน่ายนิพพิธานิพพิธาคือความเบื่อหน่ายร่างกายของเราเนี่ยถึงจะเป็นยังไงมันก็มีจุดจบของมันแต่ใจของเราอย่าไปรุ่มหลงอย่าไปมัวเมาอย่าไปเมาอย่าไปสําคัญผิดว่ากายนี่จะอยู่นานเท่านานอีกสักวันหนึ่ง ใจกายของเราเนี่ยมันหมดสภาพของมันเมื่อหมดสภาพแล้วใจของเราจะอยู่ยังไงแต่บางครั้งเราก็ว้าวีอ้างว้างเงียบเหงาเห็นความตายของตนเองอันนั้นถ้าจะว่าถูกไหมก็ถูกแต่จะไปเศร้าเศร้าไปเพื่ออะไรเศร้าให้โง่เหรอถึงยังไงมันก็เป็นสภาพอย่างนั้นอยู่แล้วมีแต่ว่าเราจะหาวิธีการอย่างไร เราจึงจะเบื่อหน่ายคายและหลุดพ้นจากอาสวักิเรตไม่มีไม่มาเวียนไหวตายเกิดในเมื่อเรารู้เห็นอย่างนั้นแล้วความชั่วเราจะไม่คิดชั่วเราจะไม่ทําชั่วเราจะไม่พูดชั่วเราจะทําดีเท่านั้นนี่แหละอันนี้ก็คือจุดประสงค์ของเราทีนี้ดีคืออะไรเนี่ยต้องศึกษาจากนั้นเขาคิดดีคิดเป็นส ม, มา ธ, ธิิการพูดก็เป็นส ม, มา ธ, ธิิการกระทาก็เป็นส ม, มาธิธ เมื่อเป็นสมาธิรู้ทางกายรู้ทางใจรู้รอบขอบชิดรู้อดีตรู้อนาคตใจมันหลงเรื่องอะไรใจมันหลงอะไรมันมันหลงทุกวนันนี้มันหลงมันหลงอะไรมันรักอะไรมันโกรธยังไงนี่แหละเข้าดูความโลภความโกรธความหลงในจิตใจเมื่อเรารู้เงื่อนเข้ามาแล้วก็เราก็น่สลัดทิ้ง โลภไปเพื่ออะไรตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมโกรธไปเพื่ออะไรเอ่อทำไมไปหาโกรธให้สิ่งที่ไร้สาระไร้ประโยชน์โกรธแล้วได้อะไรเอ่อหลงมัวเมาว่าร่างกายสังขารจะอยู่โชฟ้าดินสลายตายไม่เป็นอย่างนั้นเข้ไหมใจไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอย่าลุ่มหลงมัวเมานะให้รู้แจ้งเห็นจริงนะให้รู้จริงเห็นจริงนะอ น, นี้จังทุกขังอนัตตานะ นละ ก, การพิจารณาก็บกวนเวียนอยู่ในนนพกิเลสมันเกิดมากี่ภพกี่ชาติเกิดมาตั้งแต่เป็นไส้เดือนตั้งแต่เป็นตัวบุ้งตัวนอนมันก็มีกิเลสของมันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนะกิเลสราคะาบังกิเลสโทสะโมหะของมันนะมันมีโมหะเป็นพื้นฐานซะก่อนมันยังค่อยมีราคะแล้วก็มีโทสะ สรุปแล้ว ค, คือมาจากตัวไม่รู้ตัวโมหนะนะั่นะเป็นพื้นฐานขนอะให้พวกเราทุกๆท่านนะอยู่ในบ้านก็ได้อยู่สนามสถานที่ใดก็ตีว่างๆนั่งรถหาเวลานั่งเลยนั่งภาวนา ห, าหน้านาทีสิบนาทีชั่วโมงสองสามชั่วโมงถ้าได้อย่างนั้นก็ดีนะเข้คว่าจิตใจของเราจะหนักแน่นขึ้นเรื่อยเื่อยเอยืจิตใจของเราก็มีเหตุมีผลหนักแน่นไปเรื่อยๆ ร, รู้แจง้งเห็นจริงรู้จริงไปเรื่อย ไม่รู้จะอยู่ทำไมไม่รู้จะติดอะไรมากมายโลกอันนี้อีกสักวันหนึ่งนะมันก็จะต้องไปตามสภาพของมันแล้ว เ, เราจะมัวรุ่มหลวงมัวเมากับมันก็ไม่น่าจะถูกนะใจนะนะพยายามสอนใจตนเองนะขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะตั้งภาวน า, าวันนี้จะเปิดเทป็พีสให้ฟังสักแผ่นหนึ่งเป็นชาดกนะวันนี้นะ เปิดแผ่นที่หนึ่งเปิดที่นนะเอานั่งสมาธิถึงนั่งฟังเลยเย น, น, นะ